ก็วันนี้จะมีการจะเริ่มเก็บให้ผู้ใหม่ต้องเข้าเก็บอารมณ์ดูช่วงบ่ายนะจะช่วงเช้าหลังจากที่ได้ทุรัศม์ตัวทานอาหารทำรัสุดตัวเสร็จจะให้มานั่งปฏิบัติรวมกันที่นี่เพื่อที่จะเรียบเรียงการเปลี่ยนยีบท ตอนนี้เราได้ข้อมูลเพียงพอแล้วว่าตัวเพลินเกิดจากการที่เราแช่อยู่ในความลูกสบายนานเกินไปแล้วมันก็เป็นนิสัยเป็นอาสวะที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่ในแต่ไรแต่เมื่อเราได้ข้อมูลได้หลักฐานไปอย่างดีแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็ไม่น่าจะยาก แต่การที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มั่นใจเต็มที่ว่าหลักฐานข้อมูลต่างๆเรายังไม่ชัดเจนเพราะนั้นสองสวันวันนี้เราพยายามเรื่องทาเรื่องนี้ว่ า, าความเพลินมาจากความรู้สึกสบายที่เราชอบแล้วเราก็แชร์นอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วอันที่สอง เมื่อเราแช่แล้วความเพลินความสบายที่เราชอบมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายเปลี่ยนเป็นความาบีบคั้นแล้วก็นําไปสู่การเผลอแล้วนําไปสู่การหลงคิดอันนี้มันเป็นหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเหตุความสบายเป็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์เะะั้น กามมีได้หมายว่าเราปฏิเสธความสบายแต่เรารู้จักประมาณพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่ากามสังวรคือระวังในสิ่งที่เราจะไปเปลี่ยนความสบายเป็นความยากต้องระวังความยากความสบายไม่เป็นพิษภยัยแต่ถ้าเมื่อใดความสบายเปลี่ยนไปนเป็นความยากนั่นคือตัวสมุทัยแหละซึ่งตัวการเปลี่ยนตรงนี้ ตัวความสบายที่เราแช่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นความอยากมันละเอียดมันแนบเนียนมากด้วยกฎของอานิจังซึ่งมันครอบความชีวิตเรามาตลอดไม่รู้กี่พ ก, กี่ชาติไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนั่นนั่นมันจึงเป็นเรื่องง่ายและล่อแหลมมากในการที่จะต้องเสพมันอย่าว่าแต่ความรู้สึกสบายทางกายมันเริ่ ม, มแต่ความรู้สึกสบายทางตา ที่เรามองเห็นอะไรที่มันถูกใจชอบใจเราแล้วก็ยัมองมองสิ่งนั้นนานๆแล้วก็ดีใจแล้วก็เพลินในสิ่งนั้นเช่นการดูหนังการดูรูปการต้องเสียเงินทองไปเที่ยวเพื่อจะได้ดูวิวสวยๆเพื่อจะได้ดูของแปลกๆแล้วก็เพลินในสิ่งนั้นอันนี้มันเป็นความเพลินทางตาที่เราไม่ได้เคยสอบสวนไม่เคยตรวจสอบกับมันเลยนะฮะ แต่ถึงในขั้นนี้เราจะทำได้ไม่ได้ก็ตามแต่เราควรจะรู้เอาไว้ว่ามันต้นตอมันมาจากตรงนั้นเพื่อเราจะได้ตระหนักรู้สำหรับบุคคลที่มีต้องใช้คำว่าวุ ธ, ธิภาวะทางจิตสูงพอในการทีียะตามรู้ สำหรับคนที่ยังมีวุติภาวะทางจิตยังไม่สูงพอเขาก็ยัต้องตกเป็นเหยื่อความอยากอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆไม่รู้กี่ภพกีชาติแต่ว่าแต่เมื่อเขาเกิดมาชาตินี้แล้วเขาควรจะได้ยินได้ฟังว่าอันนี้คือเหตุที่จะตั้งเปรียบแปรแต่เกิดแต่นั้นเมื่อคุณรู้จักเหตุแล้วทําไมคุณจะต้องทําซ้ําๆในสิ่งนั้นอีกทําไมแต่ไปห่อใจในรูปที่สวยอ่าแล้วก็เสียง ที่เราต้องขาดไม่ได้แล้วก็ต้องการฟังเสียงที่ถูกใจเท่านั้นเสียงใดที่ไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ใครที่พูดถูกใจแม้จะถูกหลอกซ้ำสากก็ยอมแ้วขอให้ถูกใจาการดลอกลวงต้มตุนมันถ้าเจ้าของเจ้าของตัวเองไม่เอาด้วยมันก็หลอกเราไม่ได้แต่ทำไมเราเลยเพราะเราลงในเสียงเพราะๆนั่นเอง เราก็เพลินก่อนเขาก็อินเตอร์เทนเราด้วยคำพูดดีๆ ด, ด้วยเสียงดีๆ ด, ด้วยดนตรีดีๆเราก็ไปเสพเราก็เสพแต่เราก็ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้มันกำลังล่อเราไปนาไปสู่ความเพลินและความอยากกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะเราอยู่ที่ไหนก็จะต้องบําเลอด้วยกลิ่นรนะาคามันจะแพงขนาดไหนก็ตามเราจะซื้อน้ำหอมซื้อสบู่ซื้อ เสื้อผ้าซึ่งมันไม่มีกลิ่นแล้วก็ต้องซื้อปลี่นมาอกมาโร ม, มันแม้แต่ไปอยู่ในรถเราก็ต้องมีกลิ่นน้ําหอมบาเรอเอาไว้หัวอย่างนอนนะเพราะฉะนั้นเราได้ได้เขาเรียกว่าได้บําเรอในเสิ่งเหล่านี้เราทุกวัทุกวันน่ะเราจะมาศึกษาสั้นๆอย่างเนี้ยโดยที่ไม่ลดที่ความเพลินของเหตุลงมันก็ยาก มันเราคอยแก้ปัญหาปลายเหตุมันจะไม่จบแก้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตระหนักรู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรแล้ว เ, เริ่มไปแก้เรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสมีโอกาสที่จะตัดรากตัดเหงามันได้มันมีถึงหกรากนะทางตาหูจมูกนะแล้วก็ลิ้นลิ้นก็ยิ่งรุนแรงใหญ่นะลิ้นก็ยิ่งรุนแรงใหญ่นะ เพราะว่าโดยเฉพาะที่เมืองไทยถือว่าเป็นแลนด์ออฟเดอะฟู้ดนะเป็นทินเป็นแหล่งอาหารเป็นฟู้ดแบงค์ของโลกเลยทีเดียวดังนั้นหมายความว่าในประชาชนประชากรในประเทศนี้จะต้องเสพติดอาหารอย่างรุนแรงสามารถที่จะเอ า, อารถอันนี้ไปขายได้ทั่วโลกได้ดังนั้นเราก็จะต้องเพิิดเพลินในรถเพราะนั้นในไม่ว่าที่ ตะวันตกหรือตะวันออกที่ไปมาของที่จะเสพจะกินมีอยู่ทุกซอกทุกมุมซื้อมาไว้ทุกมุม ไ, ไปนี้ก็เจอชาไปนี่ก็เจอหงสำเร็จไปนั้นก็เจอขิงเจอชาสารพัดรูปแบบเจอเครื่องชงโอวัตินกาฟแฟทุกรูปแบบวางอยู่ทั่วไปต ล, ลอดถึงอาหารดูทุกหัวมุมของถนนจะหาซื้อกินได้ดังนั้นเองอันนี้มันก็มีความรุนแรงอีู ที่เราเรามาพยายามที่ตัดความเพลินเวลาเรามานั่งกรรมฐ า, านเนี่ยกำลังมันแรงเกินกว่าที่เราจะไปทุนมันได้เพราะอะไรเพราะเราได้สร้างเหตุั้งมันตั้งแต่ความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์แล้วด้วยสัมผัสก็ยิ่งหนักกวาีนะสัมผัสเป็นชีวิตนะถ้าหากว่าเราเคยสัมผัสที่ชอบใจอย่างนี้แล้ว เมื่อมันไม่ได้สัมผัสอย่างที่เคยก็เป็นเรื่องเป็นราวนะนะปัญหาที่เกิดทินให้เราสร้างพาราแก่ประเทศชาตนะิขอให้ได้ผัฒนาดีๆนะไม่แต่จะจ่ายเงินสูงเท่าไหร่ก็ยอมทักษณะเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจขงความเพลินและความอยากเพราะพัฒนาความสบายตาหูจหมูกลิ้นกายใจนำไปสู่การชอบการชอบก็นาไปสู่การ ติดใจติดใจก็นำไปสู่การเพลินเพลินก็นำไปสู่การเผลอเผลอก็นำไปสู่การหลงหลงก็ไปสู่การยึดนะแล้วการผัวพันในสี่นั้นดังนั้นเองเมื่อเราชัดเจนในข้อมูลางานพิสูจนเนี่ยมันก็ออกมาอย่างเนี้ยตามที่มาพิสูจน์มา30มสิบี่ปีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอื่นไปได้เลยก็จึง มั่นใจยืนยันว่ามันจะต้องมาในหลักนี้เราไม่สามารถที่จะหนีหลักความจริงที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยเราพยายามที่จะหาทางอยากยืมเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ให้เป็นไปตามคําคสอนพระพุทธเจ้าแต่ใ้ที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดก็ต้องกลับมาจุดนี้อีกดังนั้นเองในความเพลินเนี่ยมันจะออกมาสมมุติว่าเรานั่งปฏิบัติมันเพลินในความสบายที่เราได้กินอาหารอิ่ม มันก็มาจากที่นู่นเราเห็นมันนะเพราะอีมมกมากๆมันก็จะทําให้เราหนักเราหน่วงร่างกายนี้ก็จะถูกความสบายครอบงํานานๆนระ่างกายนี้ก็จะอ่อนแอเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินและส่วนเกินมันก็ทําให้มีภาวะที่เกิดมากกว่าการดับนะอาหารทุกอย่างที่ทานเข้าไปสมมุติว่ามันเกิด มันดับก็คือมันถูกย่อยไปกินเท่าไร่ย่อยได้เท่านั้นแต่ถ้ากินเข้าไปมากมันย่อยสลารไม่หมดมันดับยากว่ะทีเนี้อ่ามันดับยากก็ตัวที่มันเกินตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเข้าไปทําลายละนะมันเกิดมากเหมือนกับไฟที่แรงไฟมันเกินก็จะชอ็อตดังนั้นเรานั่งไปนา น, านเราค่อยๆจะหนักรู้ว่ามันเพลิน แต่เรามาแก้ในส่วนที่เป็นกายแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราบําเลอศแล้วอินเตอร์เทนตัวเองทุกวันวนั้นก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญพอเราจะมาแก้ต้นความเพลินในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นแก้ยากพยายามแก้พยาพยามระมัดระวังเท่าไหร่ก็ยังแก้ยากและที่สำคัญก็คือเราเพลินในการไออารมณ์เช่นเราไปนั่งสมาธิพอสงบขึ้นหน่อยเราก็เสก แล้วก็สงบไม่ยอมนิ่งไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมอะไรอันนั้นก็เรียกเสพในอารมณ์สงบอีกยิ่งติดหนักเข้าไว้อีกตรงนี้เองก็ทําให้คนเราความเข้มแข็งทางด้านสติปัญญาไม่พอพอเราไปเสพสุกเสพสมาธิจิตของเราก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆพอจิตอ่อนปับ๊บมีอะไรมากระทบกระแทกตามหลักของตรัยลักษ์กำลังแห่งการต้านทานและทนต่อสิ่งนั้นก็ไม่พอ ในที่สุดในไหนก็ในไหนแล้วก็เสพมันต่อเลยเราเรยว่าสมาธิเพราะฉะนั้นฝ่ายฟาซิทั้งหลายก็ถือว่าสมาธิเป็นยาเสพติดเขาจึงไม่ให้มีทําให้คนหลงมงมงายเพราะฉะนั้นในลทัทธิว่าด้วยการเสพสุขในสมาธิก็เป็นเปีย้ยเป็นง่อยทางด้านสติปัญญาก็ตกเป็นธาตุนะเพราะนั้นเองเราจะทําอย่างไรที่จะฟื้นฟูตัวเราเองก่อนเราไม่ได้อ่า หวังว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งสังคมหรือทั้งชาติแต่เรื่องของการเวียนว่ายแต่เกิดเสวยทุกในภพชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวใข่ตัวมันมันช่วยกันไม่ได้ดังนั้ น, น เ, เราก็จะต้องหาทิศทางเอาเองเราพยายามที่จะจัดการกับภพบชาติที่เป็นปัจจุบันให้ใหเป็นเสก่อนภพชาติที่เป็นปัจจุบันก็มีสามภพนะการที่เรายินดีพอยใจในรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสตามขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาเนี่ย เขาเรียกว่ากลมบมาพบคือจิตใจเราฝักใฝ่ในเรื่องของความสุขความสบายความอยากทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ากามบมาพบแต่เมื่ อ, อเราเกิดปัญญารู้ว่าความทุกข์มันเกิดจากกลับมาพบเนี่ยเวียนว่ายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักจบสิน้นเราก็เกิดการเบื่อหน่ายในการ เรามาแสวงหาพบใหม่มาหาพบใหม่คือหมายความว่าไปเช่นพวกสนุกไปทางเรื่องของทางรูปนะเรื่องของทางรูปรูปประชานไปเล่นกับความสงบเรียกว่ารูปประชานเช่นการนั่งสมาธิ การทำจิตให้สงกระดับที่หนึ่งที่สองที่สมที่ส่ยังเป็นรูปอยู่เขาเ็รูปประชานเราก็จะพวกนี้ก็จะไปบำเริญตนด้วยนั่งสมาธินั่งสงบด้วยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนะถ้าเรียกว่าลัทธิศาสนา ก, ก็เข้ามาเพราะคนพยายามหนีเรื่องกรรมคาณกรรมอาพบทพังลายหนีไปก็ไปติดความสงบนะในระดับของรูปคือเฮงาใสยรูปใัยรูปประชาน อาศัยนิมิตอาศัยสีแสงอาศัยความสงบอาศัยภาพจึงมีองค์มีเจา้ามีเทพมีนิมิตมีอะไรขึ้นมามากมายมีการเห็นสิ่งแปลกแปลกแตต่างนี่เขาเรียกว่าเราก็จะพยายามที่จะไปสร้างจิตให้สงบก็ให้เกิดพบนั้นๆพบได้พบความสงบเรียกว่ารูปประพบนะรูปประพบ แต่พวกที่เล่นทางรูปประพกก็เห็นว่ามันยังแปรปรวนเปล่งแปลง เ, เ, เกิดเกิดดับๆับอยากจะทำให้มากกว่านั้นอีกก็ไปแสวงหาอำนาจพิเศ ษ, ษ, ษ, ษสูงขึ้นไปบาเพ็ญทางรูปประพกคือนับตั้งแต่ฌานที่หถึงฌานที่แปขึ้นไปอีกอทำให้ตัวรูปเนี่ยสลายหายไปเหลือแต่ว่างเหลือแต่ความที่ไม่มีอะไรว่างๆก็ถือว่าเราก็เอาจิตไปพึ่งนั้นพวกฤๅษีชีพร ก็จะเป็นรูปอันนั้นก็บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญตะบะเพื่อที่จะเอารูปเรานั้นมาเป็นที่พึ่งในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงเมื่ออํานาจสมาธิอํานาจของความเข้มแข็งทางด้านร่งการมันตกต่ำลงมาก็ลกลับมาที่เดิมเวียนก็อยู่นี่เขาเรียกพบทั้งสานะออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายก็ไปสู่ตัวสงบทางจิตออกจากสงบทางจิตไปเล่นถึงนพลังอํานาจ ครั้งศักดิ์สิทธิ์ก็ออกมาเป็นวัฒนธรรมเป็นลัทธิเป็นศาสนาที่เร า, าเลื่อมใสกันเพื่อที่จะได้วนอยู่ในภพเราเนี้ยมันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเห็นเนี่ยโอ้มันก็วนเวียนอยู่ไปเรียนจากท่านอาราดาบุตรอุทธาราบุตรแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกจากความสุขในระดับตั้งแต่หยาบ ก, กลางละเอียดขึ้นมาได้กามาพบ เป็นความสุขขั้นหยาบรูปภพเป็นความสุขขั้นกลางอรูปภพเป็นความสุขขั้นละเอียดมันก็ยังทำให้เพลินในระดับทั้งชั้นกลางจำกลางสูง ข, ขึ้นไปออกจากนี้ไม่ได้ในที่สุดพระองค์ทิ้งเลยทิ้งว่ามันไม่สามารถแต่ว่าหน้าที่ผู้สวงหาสูงสุดในสมัยก็มีอยู่แค่นี้วนก็อยู่แค่นี้ในปัจจุบันก็จะมีอยู่แค่นี้ เมื่อผู้พระองค์มาประกาศเรื่องนี้ก็มีคนก่อนที่จะประกาศเรื่องท่านค้นพบค้นหาวิธีออกด้วยตนเองก่อนท่านก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ว่าเออว่าความทุกข์หรือภพทั้งหลายนะี่มันเกิดจากอะไรเค่อยตั้งคําถามแล้วหาคำตอบตั้งคําถามหาคำตอบไปเรื่อยๆแล้วนั่งอยู่ขณะเ น, นี้มีอะไรค่อยตรวจสอบจากความจริงที่ปรากฏ โดยใช้กําลังสติปัญญาเป็นประสบการณ์ที่ด้านะมีมาบ้างแล้วเนี่ยนั่งเน้นมีความรู้สึกตั้งต้นเหมือนคนทุกคนอะ่ะเหมือนกันหมดตั้งต้นใหม่ตั้งต้นตรวสอบใหม่เราเกิดมานั่งตรงเนี้ยวันเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรอ่าเกิดมาจากที่เราได้พัฒนาการมาจากข้าวปราอาหารเติบโตมาและก่อนที่จะเติบโตมาถึง ทีนี่และวันนี้อายุเท่าไหร่และสามสิบหนะ้ตอนนั้นท่านออกมาท่านจะมานั่งพิจารณ์นี้ตั้งแต่ออกบวชสวยสงหาอายุ29ก็ยังเวียนว่าเด็กในพบอะไรต่างๆตั้ง6ปีเนะี่ยจนในที่สุดพอท่านมาสวงหา35แล้วย้อนไปที่ปต้นปีที่หนึ่งนะเราเป็นอะไรแล้วก็เป็นเด็กเล็กๆอยู่ย้อนเป็นเด็กเล็กๆขึ้นไปเราเป็นอะไรก็เราออกมาจากท้องแม่แล้วก่อนจะเข้า เข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้อย่างไรท่านก็ย้อนกลับคืนไปเรื่อยๆออกมาจากท้องแม่ได้ก็มีการผสมกันระหว่างเลือดกระข่แล้วเลือดกรไข่มันผสมกันได้ยงไงก็มีบุคคลสองคนไปพบกันพบกันแล้วเกิดปฏิพัทจิตปฏิพัท์เกิดรักชอบอันนั้นแสดงว่าเริ่มต้นที่สุดก็คือมีการกระทบระวางตา กับรูปตา ก, กับรูปกระทบกันแล้วเกิดอาการชอบแต่เชื้อเดิมความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ในจิตอยู่แล้วแล้วความชอบที่มีเชื้อเดิมมีในจิตของทุกคนมันเกิดจากอะไรเกิดมาจากความสบายแล้วก็สื้อไปเกิดมาความสบายแล้วความสบายมันก็อให้เกิดการชอบดังนั้นเพราะเราปฏิจัยความสบาย เมื่อติดความสบายเราก็ไปเสพความสบายและความสบายที่เราเสพมันมีกำลังมาเป็นความชอบเมื่อไปดูอะไรเห็นอะไรได้ยิ น, นแล้วก็ชอบในสิ่งนั้นออกมาเป็นอนุสัยเมื่อตาคุ่หนึ่งไปเห็นรูปอันหนึง่งก็เกิดความชอบขึ้นมาตามอนุสัยเดิมเรียกว่าอาสวะอ๋อเชื่อมันมาจากนั้นเองอทีนี้ถ้าสมมุติว่าเห็นแล้วไม่ให้มันชอบได้ไหม แต่ก็ไม่ได้ให้มันช่างเห็นเฉยๆได้ไหมถ้าสมมติพ่อเราไม่เห็นแม่เราแม่เราไมาเห็นพ่อเราเห็นกันเฉยๆโดยที่ไม่เกิดชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราจะได้เกิดมาไหมเราก็ไม่ได้เกิดอ่ะดังนั้นเชื่อวการเกิดมาอยู่จากตัวนี้เองการความชอบมันเปลี่ยนเป็นไม่ชอบความไม่ชอบก็มาจากความชอบนั่นเองอ่ะแล้วความชอบความไม่ชอบอยู่ได้ไหมในที่สุด อยู่ไปได้ก็แตกดับไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อ๋ออันนี้คือกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางลูกท่านเริ่มเห็นตรงนี้ล้วท่านนั้นก็มาจัด ก, การความรู้สึกชอบเรามนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้หมดไม่มีใครไม่มีสามารถยกเว้นได้อันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของใจรักแล้วก็สืบไปถ้าไม่แม่นั่งสงบเสพสุกเหมือนเหมือนเมื่อก่อนน่ะ ท่านใช้ปัญญาพิจารณาย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปแล้วจากการความชอบนี้ได้อย่างไรแล้วในขณะที่เราชอบอยู่ในพบของคนชอบนั้นไม่ชอบเราชอบไม่ชอบก็ดับไปแล้วก็มาเกิดเกิดรุ่นไปอย่านี้เราก็จาให้เราเวียนว่าจะเกิดอยู่เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติตรงนี้เองที่เป็นใช้ ย, ยานที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิว า, าสานุสิจยาถ้านลำดับไปปลื้มพอไปถึงจุดนี้ปับ๊บเหมือนกับ หนังชีวิตมันขึ้นมาทั้งวนหรือย้อนย้อนยอนยๆขึ้นไปตั้งแต่เกิดอ๋อสัมภัสัตว์ทั้งหลายเกิดมาล้วนแต่ตกเป็นธาตุของความชอบและไม่ชอบแ้วก็หมุนเวียนกันอย่างนี้แล้วก็สวยสุขส ว, สวยทุกเวียนกันมาสมมุติว่าในส่วนที่ชอบไปสวยสุขในทางเป็นเทวดาอินพรมพอมันหมดอำนาจของความาสมาธิความตั้งใจแนละ้วก็เวียนมาเป็นอบายภูมิเป็นอสุรกายนรก เวีเนี่ยพอเป็นชุ้ลกันโลกมันทุกข์มากอยากจะแสวงหาความสุขก็เามาเป็นเทวดาอินผมเวียนก็อยู่นี่ทางในรูปภพรูปภพทีนี้พวกที่มีวิธีภาวะทางจิตสูงก็อยากทั้งออกทั้งสองอย่างทางกรรมคุณทั้งทั้งส่วนดีไม่ดีก็ออกมาบําเพ็ญฌานเขาเรียกว่าพารามนี้ออกมาจะครอบควมาบาําเพ็ญฌานศาสนาพรามณ์คือเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกของมนุษย์ เพราะคนหนีออกจากภพทั้งสองแล้วไปหารูภพนี่แหละก็ยังเป็นศาสนาพราหมณ์ก็ไปติดอยู่ในความสงบฤทธิ์เดชปฏิหารกับว น, นิกายนทีท่สุดพระพุทธเจ้าทางพิจารณนะ์โอ้อยางนี้มันก็ไม่สามารถที่จะปลดเรื่องออกจากภพทั้งสาได้มันติดอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนถ้าอย่างนั้นทําอย่างไรมาพิจารณ์ในไหนเราก็เกิดมาเป็นผลพวงการเกิดมาหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วเนี่ย ก็มาเฝ้าดูตัวตรงนี้เองตรงนี้เรียกว่าตัวญาณปัญญาเกิดขึ้นญาณปัญญาเกิดขึ้นท่านก็ตามไปดูว่าตัวชอบมันเกิดมาจากอะไรตัวคิดเกิดจากอะไรย้อนขึ้นไปอย่างเหมือนเราย้อนอ่ะตัวคิดเกิดมาจากความเผลอความคิดชอบไม่ชอบเกิดมาจากกันเผลอเผลอมาจากกันเพลินเพลินมาจากกันติดใจติดใจมาจากความพอใจความพอใจมาจากกันสบายใจ ความสบายใจมาจากความสบายกายแต่เก็จะเสพไปอยู่นี้นะบนคือยู่อยนี้แล้วความสบายกายมันคืออะไรอ่าท่านลืมจี้เข้าไปละจี้เข้าไปความสบายกายมันคืออะไรความสบายกายบริการเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทางที่ส่วนที่เป็นธาตุสบายไม่สบายอยู่ในตัวมันเองธาตุที่ไม่สบายคือธาต ดินกระทัดไฟท่าที่ทําให้ไม่สบายคือท่าทําให้สบายคือท่าลมกับท่าน้ําำมันเริ่มเห็นแล้วถ้าลมท่าน้ําเป็นทา่าทําให้เย็นถ้าดินท่าทัดไฟทําให้เกิดให้ร้อนตัวร้อนเป็นตัวเกิดอมีน้ํากับลมเป็นตัวดับเอาน้ํากับลมไปดับไฟแล้วไฟกับดินนี้เป็นตัวเกิดทั้งท่าสีดินน้าลมไฟเกิดมาจากเพราะว่าอะไร เกิดมาจากภาวะเกิดเป็นตัวแมสอันหนึ่งที่มันมีอยู่ในจักรวาลและตัวแมสนี้ก็ก่อให้เกิดตัวครบหมู่หยของมนันดินน้ำลมไฟแมสตัวนี้ก็สร้างพลังขึ้นมาในการเปลี่ยนแปลงพลังลการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลแล้วมันก็ให้เกิดธาตุต่อมาคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเกิดพลังตอนแรกพลังการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมาชาติคือกฎไตรักอันนี้ตามให้ทันนะ ักแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเกิดแตะดับท่านก็ย้อนขึ้นไปจากช่วงตที่ยงกโมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยท่านเห็นวงจรของการเกิดทั้งหมดที่เราเรียกว่าปุเพนวิวาสานุสติญาณคือญาณได้เรื่องรู้ความเป็นมาทั้งหมดของชีวิตท่านก็ทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาหลายรอบม า, จากจนกระทั่งเห็นแจ่มชัดเจน แล้วที่ที่ตัวเกิดดับที่มันเริ่มต้นให้เกิดจิตนี่มันเริ่มต้นอย่างไรท่านก็ตามเข้าไปอีกหลังจากทบทวนชํานาญแล้วตามเขาไปก็ไปเห็นภาวะของสองตัวคือภาวะที่เป็นรูปและภาวะที่เป็นนามรูปเปรียบเภียบการเกิด นามเป็นภาวะการดับในเมื่อมันทรงที่เป็นเพียงแต่พลังงานชนิดหนึ่งที่มันเนภาว่าที่เป็นนามธรรมาของการเกิดการดับการเกิดที่จะมาเป็นรูปอย่างนี้มันจะต้องเป็นรูปในจิตมาก่อนเช่นเวลาเรากระทบเราชอบเราก็จะสร้างภาพของหญิงชายภาพของอาหารภาพของเสียงภาพของกลิ่นภาพของรสขึ้นมาในหัวเราเรียกว่ารูปเกิดขึ้นแล้วในจิตแต่ที่นี้หลักของ ไตรักมันก็พัฒนาตัวรูปตัวนี้ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของในจางเปลี่ยนแปลงเป็นในทางรู้สึกเป็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันภาวะที่ตึงและย่อนอภาวะหนักและเบาภาวะที่หยาบละเอียดภาวะที่ร้อนที่เย็น เราเมาสมมูริ์ภาวะที่สุขที่ทุกข์เราไม่รู้ต่อทานพลังงานอันนี้เราก็ไปสําคัญในภาวะที่ย่อนที่ดับที่สบายว่าเป็นเราภาวะนี้เรียกว่าภาวะของอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงมีการตึงการหยอ่อนกันตึงการหย่อนการร้องการเย็นสลับกันอย่างเงี้ยตลอดเราก็ไปยึดอันนี้เออผ่อนคลายรู้สึกสบายเราก็ไปยึดว่าเออเราเสแล้วก็เป็นเราไปเห็นจิตมันพลิกเกิดดับเกดิดเกิดดับดไปเห็นอยู่แค่นี้ ท่านก็เลยบอกอ๋อต้นก็เนิดชีวิตมันเจ้านี่เองตั้งท่านพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงตีสองใช้เวลาแค่สองชั่วโมงพิจารณาเห็นว่ามันการเกิดดับทางด้านวัตถุเรียกว่าจุติและอุบัติจุติมันหมายถึงการเคลื่อนนะเคลื่อนจากนี่มาไว้นี่เท่านั้นเอง อด้วยกฎของใจลักมันก็หมุนกลับมาเกิดใหม่นี่เรียกว่าพบกันจุติคือการเคลื่อนพอขึ้นมาตรงนี้ก็หายไปตรงนี้เขเรียกวจุติคือเคลื่อนหายไปพอมากดปากรุ่นใหม่ด้วยกฎของนิจงังเขาเรียกอุบัติด้วยกฎของนิจังอีกมันก็กลับมาเป็นเคลื่อนมาเป็นจุติถ้าไปเห็นการเคลื่อน ย้ายของรูปตัวนี้เรียกว่าเห็นจุติและอุบัติเอามาบวกก็เป็นจุตูปปาตยานอย่างที่สองอ๋อแสดงว่ารูปตัวนั้นมันไม่ได้ดับโดยสิ้นเชิงมันเคลื่อนเท่านั้นเองเช่นเราไปยึดพบที่เราชอบเราไปเป็นคนชอบใจเราก็หาแสวงหาสิ่งที่ชอบใจ แล้วก็พอตายเคลื่อนจากความชอบใจมันก็เคลืนมาเป็นความไม่ชอบใจด้วยความพจะชอบใจเราทนไม่ได้แล้วก็แสวงหาความชอบใจก็เคลื่อนมาเป็นตัวชอบใจใหม่จุติและอุบัติการมาเป็นความตึงความหย่อนความชอบใจและความไม่ชอบใจความรักความชังพัฒนามาเรื่อยๆเลยโดยที่เรานี่ไม่เห็นต้นตอว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้มันมาอย่างไร พ่อมาเห็นยานที่สอง๋อตัวนี้เองเป็นต้นตอแห่งการเกิดทั้งหมดในยานนี้ท่านบอกวา่าพระพุทธเจ้าได้เห็นทั้งโลกจักรวาลเลยเห็นมนุษย์เห็นภมเห็นเทวดาดางสมมติภาษาของท่าน <c oughs> เพื่อจะให้เป็นรูปธรรมให้คนจำได้ว่าคำว่าจุติและอุบัติมันคืออย่างนี้นะคำว่าปุเพนิวาสาโย้อนกลับคืนไปต้นปฐมลมกลับของโลกมันเป็นมาอย่างนี้นะ ก็พิจารณาจนกรทั่งว่ามาเสียมแ จ, แจ้งเกี่ยวกันอ๋อตรงนี้เองถ้างั้นเราจะออกจากไอ้การอุบัติและการเกิดนี้ได้ไหออกจากการเคลื่อนยังไงอ้าวในตัวนี้การเคลื่อนมันเกิดกับวัตถุเท่านั้นแต่แต่ตัววัตถุมันมีตัวพลังงานอยู่เรียกว่านามมันมีตัวเนี้ทาให้ใหการพลังของการเคลื่อไนไหวเป็นพลังอย่างหนึ่งถ้าไม่มีพลังมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไอ้ตัวพลังนี้คืออะไรท่านเริ่มแยกตัวพลังนี้ออกมาต่างหาก ตรงนี้เรียกว่านามอ๋อ ى, นามตัวนี้มันไม่จําเป็นแค่ว่าเข้าไปเสกไปชอบในสิ่งที่เราตึงหรือหย่อนเข้าไปชอบหรือไม่ชอบในส่วนที่ตึงเข้าไปชอบในส่วนที่หย่อนเข้าไปไม่ชอบในส่วนที่ตึงเข้าไปาติดใจนในส่วนที่สบายหรือไม่ติดใจนในส่วนที่ไม่สบายอ๋อ ى, แยกตัวนิ้วตัวรู้ตัวนี้อ๋อเรียกว่านาม ทีนี้ถ้าดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนเราไม่เคลื่อนตามมันก็ได้มีการชอบไม่ชอบเราไม่ชอบตามมันก็ได้ก็ดึงตัวนี้ออกมาปั๊บอพอดึงตัวนี้ออกมาปั๊บภาวะของการเคลื่อนของตัวนี้กับแยกตัวนี้ออกมาได้เขาเรียกว่าการดับดับโดยที่ไม่ใช่เป็นการเคลื่อนเราใช้คาว่านิโรธเรื่องนิโรธ ตัที่เกิดเรามาเรียกว่าอุบัติเราเรียกว่าสมู ท, ทยัยการเกิดการดับของภาวะที่เป็นพลังงานที่ไม่เรียกว่าจุติและอุบัติเราม่เรียกว่าสมูทัยและนิโรธอ่าตรงนี้ท่านจับเหตุได้เลยเราพิจารณาเรื่องสมูทัยนิโรธต่อกันมาท่านก็นเกิดปฏิสบัติขึ้นมาเป็นสมู ท, ทยัยแล้วการตรงข้ามกับมันเป็นนิโรธเหมือนกับจุดเถียนขึ้นมา แสงคล้องเทียนกับวัตถุชนิดหนึ่งต่างกันวัตถุนี้เป็นแมสแต่แสงของเทียนเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกสลายมาดังนั้นการดับแสงเทียนกับการหายไปกับวัตถุสิ่งนี้มันจึงคนละเรื่องกันการหายไปวัตถุเป็นการเคลื่อนแต่การหายไปของแสงเทียนที่ดับมันคือเสมืนิโรธการเกิดขึ้นสมูทัยเป็นแสงไฟดวงไฟ และการดับขไฟดวงไฟมันสิ้นมันได้เป็นการเคลื่อนตรงนี้เรียกวันนี้โรดการดับก็เกิดขึ้นเอาถ้าอย่างนั้นอาสวะทั้งหลายความเศร้าหมองทั้งหลายความเสื่อมทั้งหลายมันก็ไม่สามารถจะเข้าถึงตัวที่เป็นพลังงานอันนี้ได้เพราะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพราะาความเสื่อมสิ้นทั้งหลายเป็นเรื่องของวัตถุ แต่เมื่อในานามันไม่มีวัตถุอยู่เลยไอ้ความเสื่อมสิ้นทั้งหลายความเสื่อมการเกิดทั้งหลายก็ตามไปเมื่อถึงถ้ายางั้นเพียงแต่เอารูปออกจากนามการเวียนว่ายในความพอใจไม่พอใจก็จบอ่าถ้าอย่างนั้นก็ให้จิตกับนามมาเป็นเรื่องเดียวกันอย่าไปสร้างตัววัตถุขึ้นมาอย่าไปสร้างตัวนามมารูปขึ้นมา ท่านก็ทวนไปทวนมาอ๋อมั่นใจว่าวิธีการเอาอาสวะกิเลสออกต้องทําอย่างนี้เพราะอาสวะเป็นรูปแต่เมื่อแยกตัวพลังงานล้นออกมามันเป็นน้าการสิ้นอาสวะก็เกิดด้วยว่าอาสวะขายาบยานที่สามจะเกิดขึ้นนี่จากการดึงเหตุจากต้นที่สุดไปเนี่ยมาถึงจุดเนี่ยในวันเดือนหขึ้น15บห้าค่ำเราก็มีบุคคลผู้รู้ สมบูรณ์ที่สุดขึ้นมาด้วยวิสมาสัมพุท ธ, ธาจากการสืบสาวต้นสายไปเหตุไปเรื่องอย่างเงี้ยมาท่านกระทบทวนละทีนี่ใช้เวลาทบทวนกฎเกณนี้เป็นเวลาเจวันเร็ววันเสือวิมุติสุขเจสั ป, ปดาห์ไม่ใช่เจไม่ใช่เจวันเจสั ป, ปดาห์แห่งและเจวันเจวันเจวันนะแล้วก็ออกมาเป็นเสวิมุติสี่วัน หลังจากท่านได้พบความจริงท่านก็มานั่งทุบทวนแม้ทุบทวนไปทุบทวนมาได้เห็นความผิดพลาดทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้เล้วในที่สุดจบ549วันท่านก็บอกเรื่องนี้คงบอกใครไม่ได้เพราะมันมันไม่ใช่เรื่องคนจะมานั่งเพราะมันคนทั่วโลกเป็นไ ป, นปนแบบนั้นหมดจะบอกใครใครจะไปเชื่อพอพระองค์คิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามี พรมตนหนึ่งที่เคยเป็นสหายกันมาหลายภพหลายชาติรู้ใจรู้ใจพุทธองค์โอ้การดำหลีอย่างนี้ของสมณะรูปนี้ที่เข้าถึงภาวะนียไม่ถูกอ่ะจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายที่มีคุณสมบัติมีคุณงามความดีมาพร้อมไปบำเพ็ญมานานเก็เจะขาดโอกาสในการรู้เรื่องนี้ท่านก็เลยเข้าไปหาแล้วก็บอกว่า <c oughs> ในโลกนี้ <c oughs> ยังมีสัตว์หรือมีคนมีมนุษย์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ท่านจงบอกแก่คนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านั้นเขาเข้าใจได้เขาก็อาจจะเข้าใจอย่างท่านนี้แหละฮะ เราก็เลยเอาชื่อของพรมคนนี้มาเป็นตัวตั้งทุกครั้งเมื่อมีการแสดงธรรมว่าพรมมาจโรกาธิปติสัมปติเท้าสามบดีพรมซึ่งเป็นนธิบดี <c oughs> ในโลกทั้งสิน้นนะได้รับทราบเจตนาและการปริวิตกของเจ้าชายศิตตะกะเกกับ เ, กเรื่องนี้ว่าจะไม่เผยแพร่ในความจริงอันนี้ เป็นเหตุให้สัมพัตส์ในโลกที่มีโอกาสจะรู้เรื่องนี้ต้องชิบหายไปดังนั้นขอให้ท่านได้ท่านจกว่ากัดอัญชลีธรรมอัญชลียกมือเข้าไปขออันทิวลังด้วยพวามอนนันเปรดเสฐอาญาจะถสันติฐาอาญาจะถะขอประนุการขอร้องสันติถาา ะ, ถ ะ, ะ ส, ถสัตตป ร, ระชะขะ ว่าสัตว์ในโลกที่มีทุลีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ชาติกาเทเสตุขอให้ท่านจงแสดงธรรมังด้วยอาศัยอนุกรรมปิดมังประชังสัรพสัตความอเอื้ออินดูในสัรพสัตเหล่านั้นอนุกรรมปังนะแล้วขอให้จงบอกเรื่องนี้ให้แก่สัมพสัตเหล่านั้น ดั้นทุกครั้งเวลาพระจะแสดงธรรมก็ต้องพูดคํานี้ก่อนใช่ไหมว่าเอารัตนาธรรมหน่อยคือรัตนาพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องนี้นะเพื่อเป็นการระลึกถึงพรมคนนั้นถ้าไม่มีพรมคนนั้นเท่าสามบุรีพรมเราก็จะไม่มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไม่มีโอกาสมาศึกษาเรื่องนี้เลยทุกครั้งมีการแสดงธรรมก็ต้องว่าพรมมาจะโลกาทิ ป, ปติ ทิปติเท้าสามพอิภมที่เป็นใหญ่ในโลกลงมาจากโลกลงมาสู่โลกนี้แล้วพนมมือไหว้ขอร้องให้เจ้าชายจีรัาที่บทเป็นสมณะเรียกว่าสมณะโคดมให้อาศัยความเอื้ออินดวแกสัพพสัตทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาเบาบางขอให้แสดงความจริงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จึงเกิดขึ้น ถ้าหากท่านตัดสินใจไม่แสดงธรรมเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นนะเราทั้งหลายก็มาคงมาเน้มานังทำมานังศึกษากันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะมาทํากันเล่นๆหัวหัวผ่านไปวันๆมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากของบุคคลคนหนึ่งที่กว่าจะเกิดขึ้นแต่ละยุคนะต้องอาศัยเวลาหลายพันปีนะบางทีเป็นหมืนม่นๆปีซึ่งเราจะเดียกพบอันนั้นเอง เมื่อเราได้ทราบข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ขึ้นไม่ได้เพราะมันมีประวัติศาสตร์รับรองเป็นหลักเป็นฐานหมดแต่โดยอาศัยมาย่อทั้งหมดเพราะปลายปีดุกเนี่ยเอามาย่อให้ให้เหลือแค่นี้ภายในเวลาสั้นๆให้เราเข้าใจนะโดยที่เราไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะเรามันติดขี้สงสัยไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆฟังอะไรไม่เข้าใจไม่ถูกใจก็เปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนอาจารย์นี้ไปอาจารย์นูน้นเปลี่ยนละทีนี้เปลนไปเรื่อยๆตัวที่เรายังไม่ได้ฟังความจริงที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรอันไหนมาถูกใจเราเราก็ต่างไปอันไหนไม่ถูกใจเราก็เลิกก็จะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็ตกเป็นธาตของความพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบก็เปลี่ยนไปไม่เคยจริงใจกับเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนะดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เหลือชีวิตเราเหลืออยู่กันไม่มากคนละสามสิบห้ี่สินะ เราก็ควรที่จะตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ทะลุปุโปรงวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็ให้พยายามไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีวันของมันที่มันจะปรากฏและในขณะเดียวกันที่เราแสวงหาเรื่องนี้เราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้อย่างชัดเจนก่อนจากที่เราลำดับกันมาสามองสามวันเนึ่ว่ามันมาอย่างเนี้ยเหตุมาอย่างเนี้ย แต่เราก็ยังทําได้บ้างมาได้บ้างแต่เราก็มีความพยายามเพราะฉะนั้นความพยายามอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องใช้ปัญญาด้วยนั่งปฏิบัติแทนที่จะมั่งเสพสุกจนง่วงจนเหง า, จ น, งาจนเบือ่อจนเบือเบ่อทาไมเราไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองตั้งปัญญาขึ้นมาทําไมฉันต้องเสพทําไมฉันต้องชอบทําไมฉันต้องเบือ่อทำไมทำไมหาคําตอบไปเรื่อย แล้วอันไหนตอบได้ก็ที่ไปอันไหนตอบมาได้ก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคิดปรุงแต่งปวดหัวอีกและวทีนี้ทํำยังไงอเพราะว่าปัญญามันไม่พร้อมจะเกิดถ้าปัญญาเกิดหมายความว่าเราตั้งคําถามขึ้นมาคําไหนตอบได้คํานั้นมันก็จบหายสงสัยแต่เมื่อแต่ตั้งตั้งตั้งคำถามขึ้นมาแล้วตอบไม่ได้สักข้อมันก็ปวดหัวเพราะสร้างขยะขึ้นมามันมีที่ทิ้งมันก็กองอยู่ในหัวนะ เพราะนั้นการตั้งคำถามอันไหนก็ตามที่เราตอบไม่ได้อย่าไปตั้งต่อไปและอย่าไปตั้งคำถามที่ยากให้กับตัวเองเพราะาวุฒิภาวะทางปัญญาของเรายัางไปไม่ถึงตอบคำถา ม, มง่ายๆก่อนอนั่งนี่ทําไมจึงหนักหาคาตอบหาคาตอบเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นแล้วตอบในความคิดแล้วไอ้ความหนักที่ดารงอยู่นี่มันหายไปได้ไหม มันไม่ได้มันขาดอะไรขาดความเพียนพยายามความเพียนพยายามเพียงแต่พลิกและขยับนี่คือความเพียนละเหตุนั้นเสียละเหตุทังความหนักก็คือใช้กฎอนิจจมันเดิมความหนักเกิดขึ้นเพราะกฎอนิจจและใช้กฎอนิจจเข้าไปแก้มันเกิดที่ไหน ต้งดับที่นั่นมันเกิดเพราะอนิจจังก็าอานิจจังเข้าไปแก้แต่เกิดเพราะอนิจจังด้วยกฎของไตรลักษณ์เราจะต้องเปลี่ยนอนิจจังในกฎไตรลักษณ์ให้เป็นกฎของไตรสิขาด้วยการเราเป็นผู้เข้าไปเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนแปลงมันมีข้อมันเองอยู่แล้วแต่การที่เรเข้าไปรู้จักเห็นแล้วเข้าไปเปลี่ยนนี้เป็นการเปลี่ยนกฎอนิจจังเรียกว่าศีล คือเปลี่ยนที่อันนี้จังมันทําให้ผิดปกติคือจะเบามันกลายมาเป็นหนักจากหนักมันมันผิดปกติเรียกว่าผิดศีลทางกายกลับให้ปรับเข้ามาสู่ปกติคือมันรู้สึกเบาและเราก็จะรู้มันว่ามันก็ไม่ได้เบาอย่างที่เราต้องการจะให้มันเบาอย่างหนึ่งชั่วโมงมันไม่ได้พอไม่ถึงสองนาทีมันก็เปลี่ยนมาเป็นหนักอีกแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของมัน การที่เราเข้าไปแก้กดลื้อกดแก้กดลื้อกดของอนิจจานี้จนชนานาญมันก็ขอให้เกิดทักษะเราก็เห็นอ๋ออ น, นิจจ์ที่มันเปลี่ยนเข้มาเองมันแค่เปลี่ยนเป็นทุกขขังคือเปลี่ยนเป็นหนักแต่พอเรามีสติมีตัวรู้เข้าไปเปลี่ยนตัวหนักกลับมาเป็นตัวเบาโดยรู้เนื้อรู้ตัวเบาเกิดได้อย่างไรตรงนี้เป็นองค์ของสมาธิและปัญญา แต่บางคนที่ไม่มีองค์ความนี้เปลี่ยนจากหนักเป็นเบาได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเบาหายไปอย่างไรเบาเกิดขึ้นมาได้ไงหนักหายไปได้ไงไม่มีความรูตร้ตัวศีลก็ไม่เปลี่ยนเป็นสมาธิและปัญญาเพราะไม่เห็นขบวนการของการเปลีป่ยนแปลงดังนั้นเรื่องนี้ต้องไปทบทวนตรวจสอบให้แจ่มแจ้งขึ้นใจ มันไม่ใช่เรื่องที่เราเข้าใจไม่ได้ที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช่ไหมเมื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เราก็ต้องทาได้ด้วยแต่บางอย่างทาไม่ได้เราก็ถามเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรเรายังไม่พอใช่เพราะศรัทธาความตั้งใจความรักเรายังไม่พอใช่อ่ะแล้วความตื่นรู้ความแยบขาย ใกตามรู้เหล่านี้ยังไม่พอก็ปรับให้มันพอก็คือเล่งบทนี่ใช้มาแก้ระบบที่ความรู้สึกตัวไม่ใช้ระบบความคิดถ้าคืนไปใช้ระบบความคิดมันก็จะสร้างสมุทัยตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะดังนั้นเองในการปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้อย่างนี้มันก็ สามารถที่จะเห็นแจ้งชัดเจนได้การมีองค์ทั้งองค์ความรู้และทําได้เรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนนั้นเวลาสวดในองค์คุณของพระพุทธเจ้าเราเริ่มต้นด้วยสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูไปตามลำดับว่าในเมื่อเราจะให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วต้องมีวิชาเจรณะสัมปันโนนะ แล้ววิชา ญ, ญาณสัมโตทำด้วยความถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันเป็นสุขโตแล้วก็รู้ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นเรียกว่าโล ก, กวิถูนะมันก็จะราดับไปองคุนของตัวรู้นะดนั้นในลักษณะอย่านีอย่าให้มันเป็นเพียงความเข้าใจแบบเผลนๆผิวๆลมๆแรงๆให้ไปตอย้าไม่เห็นเป็นรูปธรรมวิชาชัดเจน ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมันก็จะหมุนไปที่เดิมที่เราพอใจไม่พอใจเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราขุนเร า, เราอชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนั้นดีคนนี้มันเป็นผลของการไม่รู้เหตุตรงนี้เท่านั้นแต่สําหรับคนไม่พิจารณาไม่ใช้ปัญญาก็จะไม่เห็นตรงนี้แจ่มแจ้งมันก็ยังใช้นิสัยเดิมมีอาการมีความชอบไม่ชอบเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนในระดับนั้นเรียกว่ามุตที่ภาวะทางปัญญา วุติภาวะทางจิตไม่ถึงเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะอันนี้ก็ต้องใช้วิบากกรรไปของความชอบไม่ชอบความถูกความผิดเป็นเราเป็นเขาไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองตรงเนี้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรอยู่มันสามารถจะทําได้และศรัทธาความเพียร น, นี้องค์ประกอบที่สําคัญคือต้องมีปัญญา ปัญญาเดรัจฉานอิพภาคปฏิบัติคืออะไรคือตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็หาคําตอบโจทย์ใดที่หาคําตอบไม่ได้เรามีการยนานมิตรบางทีเราไม่สามารถจะหาคําตอบด้วยตนเองก็มีการยนานมิตรเรียกว่าครูบาอาจารย์มาถามถามแล้วยังเอาไปทําไม่ได้แสดงว่าวุธิภาวะทางปัญญาเรายัางไปไม่ถึงเราก็กลับมาหาโจทย์เดิมที่เราทําได้ก่อนนะเหมือนกับเรา เรียนเลขบวกลบได้แต่พอขึ้นไปคูณไปหารเรางงเราก็กลับมาทําบวกลบทําบวกลบแล้วมันก็ยังไม่ยังก็ทําบ่อยๆบวกออกมาเป็ี่นิหนึ่งบวกหนึ่งบสองบสองลบทำตัวนี้ให้ชำนาญก่อนเรียนบวกลบชํานาญพอเรียนบวกลบชํานาญก็ไปเรียนคูณกัหารบวกกับลบกับคูณกับหารก็เป็นหลักการเดียวกันบวกเป็นเกิดลบเป็นดับ คุณเป็นเกิดหานเป็นดับกฎอันนี้มันจะกลายเป็นหลักทฤษฎีทั้งหมดในทุกๆุศาสตร์หมดเลยเรื่องการเกิดดับแค่2 อ, อย่างเพดัะนั้นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยความสงสัยแล้วก็จะลดลงลดลงแล้วก็มุ่งมั่นต่อสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเราจะใช้ความคิดปรุงแต่งน้อยลงแต่เราจะมาใช้หลักการของความรู้ ความคิดกับความรู้ต่างกันความคิดมันไม่ต้องมาใัยหลักการอะไรตามความเคยชินพาไปแต่ความรู้มันมีหลักยืนยันว่าอันนี้นเป็นอย่างนี้เพราะอันนี้อันนี้เป็นหลักของเหตุและผลแต่ความเคยชินมันเป็นหลักของตัวเกิดดับโดยอำนาจของโมห ะ, ะเรียกว่าการเกิดดับทประกอบด้วยอวิชชาแต่การเกิดดับที่ประกอบด้วย ด้วยหลักการด้วยความเข้าใจถูกต้องแล้วก็เป็นการเกิดดาที่ประกอบด้วยวิชาเราก็มาสร้างตัววิชาขึ้นวิชาตัวแรกที่สุดจะเป็นภาคปฏิบัติก็คือตัวรู้ญาณังอุทาปฏิเมื่อญาณังอุทมนรู้เห็นชัดเจนคือความเชื่อมโยงของเหตุและผละปัญญาอุทาปฏิเกิด แล้วก็วิชาอุทปาธิเกิดการมีหลักการเข้ามารับรองในสิ่งที่เราคิดไม่ใช่มั่วนะท่านคิดไปแล้วหาหลักการรับรองไม่ได้เราก็มั่วนั้นไม่เป็นโลกุลัพปัญญาละมันก็กลายเป็นโล ก, กิยาปัญญาไปก็ให้เป็นสมุทยัยพอเจอโลกิลาปัญญาเป็นนิโรธถ้าเกินกําลังเราคืนคิดต่อเป็นสมุทยัย ถ้ย้อนกลับมาตั้งในส่วนที่เราอยู่ในอำนาจที่เข้าใจได้เป็นนิโรธก็ทวนอยู่อย่างเนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ดังนั้นอยากจะไปให้เรียบเรียงการใช้ลูกของเราเนี่ยที่มันลุกนั่งย่างเดินแต่ละจังหวาดูมันแบบสบายสบายอย่าไปจ้องหาความจริงอะไรมันมากมายดูมันเท่าที่เราเข้าใจได้อันไหนเข้าใจไม่ได้กลับมาตรวจสอบทบทวนของเดิม เช่นเมื่อกี้เราลุกขึ้นปับ๊บเราถามว่าลุกขึ้นมาได้ไงเพราะอะไรอ่ะกลับลงไปนั่งใหม่แล้วก็ลุกใหม่ออลุกมาด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะเห็นลูกทําหน้าที่อย่างไรนามทําหน้าที่อย่างไรตัวรู้ทําหน้าที่อย่างไรพอได้ตัวรู้ตรงนี้ปับ๊บมันก็ไปเข้าใจหลักเบื้องตน้นทวนอยู่ที่นี่ก่อนทวนไปทวนมาอย่าไปรีบ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการเร่งรีบแต่เป็นการเอาใจใส่ในรายละเอียดมากขึ้นนั้นะนั่นเองจึงอยากจะให้เราเข้าใจและฝักฝ่ในการปฏิบัติทําความเข้าใจด้วยตนเองนะอ น, นั้นเราจึงมีกฎมีระเบียบอะไรในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อที่จะให้ไม่ลุกลนเวลาของกันในกันบางคน ความตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้กําลังพิสูจน์แล้วกำลังทําเรื่องนี้อยู่บางคนไม่รู้ก็เข้าไปชวนพูดชวนคุยหรือไปรบกวนปั๊บไอ้ภาวะการที่กําลังทํางมันก็หายไปนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเราถึงแยกอยู่ที่ใครที่มันของใครของมันไปเรื่อยๆอันไหนก็ตามที่มันอยู่ในกําลังของเราจะทําได้มันจะรู้สึกเบาสบาย อันไหนก็ดำเรามันเกิด ค, ความยุ่งยากหนักหน่วงมันเกินกำลังของเราก็ลดลงมาแต่ในความเบาสบายนั้นเราก็จะต้องมีคำตอบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเราไม่มีการตระหนักรูก้หรือไม่มีการตามรู้และมีการตรวจสอบอย่างนี้เราก็จะเข้าไปเผยเสพเอ้าทำไมเราถึงสบายสบายเพื่ออะไรอา่าเขาดูไปในการตรวจสอบอสบายเื่อเป็นกฎของธรรมาชาตินเกิดจากการดัก เช่นแล้วการเปลี่ยนท่ามันจะสบายมันเป็นกฏของธรรมชาติมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบเราคิดว่าไอ้สบายมันเป็นเราเพราะมันเป็นเราปั๊บเราก็อยากเพิ่มความสบายอยากจะนั่งนานๆอยากจะเดินนานๆอยากจะนอนนานๆเพราะเราไปเห็นว่ามันเป็นของของเราเราก็ไปยึดด้วยอำนาจตัานหาอุปทานของเราอ๋อมันเกิดมาจากความที่เผล อ, อ, อยึดเผลอยากเพราะอาวิชชา ออนี่อำนาจของวิชาเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองถ้าความจริงคุณความรู้สึกสบายมันไม่ใช่เรามันเป็นกฎเกิดกฎของการเกิดดับของธรรมชาตินั้นเราก็จะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์แทนที่จะไปเสพมันแต่ใช้มันเพื่อที่จ ะ, ะลำดับดูว่าตัวรู้สึกสบายขนั้ น, นี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนี่ลักษณะการใช้คือตามดูอาการแปลปวนเปลี่ยนแปลงของมัน อาการสบายคนนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถามตัวเองแล้วเข้าไปดูว่ามันเที่ยงไหมสักพักมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอ๋อมันไม่เที่ยงอไม่เที่ยงแล้วเราจะอยู่กับมันไหมไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนมาเป็นสบายเปลี่ยนมาเป็นไม่สบายมันแสดงธรรมละอ๋อมันไม่สบายมันก็เป็นทุกข์ขังแล้วทุกขขังก็ดูทุกข์ต่อไปทุกข์คืออะไร ทุก็เพราะว่าที่ไม่สบายทุกเป็นอาการอย่างหนึ่งใช่ไหมทุกคือความไม่สบายเป็นเราหรือเป็นอะไรนะก็สอบมันไปเอามไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้วเราจะไปชังมันไหมเราจะไปเบื่อมันไหมเราจะไปบีบบังคับมันไหมไม่ถูกเมื่อมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากความสบาย เมื่อมันเปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายมันไม่เที่ยงถ้าเราจะเปลี่ยนไปเราก็รู้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วความไม่สบายตรงนี้มันจะเปลี่ยนความสบายอย่างไรอ้อมันเกิดความไม่สบายมันเกิดทำให้มันหายไปเรียกว่าความไม่สบายมันก็ดับแต่การดับของความไม่สบายมันเป็นความสบายเอความสบายมาเป็นผลนัพการดับของความไม่สบายนั่นเองมันค่อยๆดับไป ไปเราจะเริ่มเห็นอาการของความสบายไม่สบายไม่ใช่เราแต่มันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เป็นกฎเป็นกติกาของการธรรมชาติที่มันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ปฐมบรมกับเติมต้นลงมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราเป็นมนุษย์เล็กๆเป็นผงทุรีของจักรวาลเนี่ยได้มารับรู้สิ่งนี้เราก็จะเรียนรู้มันอย่างเคารพอย่างบูชาเห็นเป็นสิ่งสําคัญ นั้นกติกาที่จะเรียนรู้ได้ถูกท่านจะว่ า, าต้องมีปัญญาตัวปัญญาคือยินดีพอใจเคารพเห็นคุณของผู้ที่ให้เรารู้สิ่งนี้มาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะเกิดเริ่มเกิดตัวศรัทธาและเกิดปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วมีการเคารพมีการคารวะมีการบูชาเกิด ข, ขึ้นเพื่อที่ขอบคุณ อาการมารู้อย่างนี้มาเห็นยันมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทำได้ด้วยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวรู้ของเราที่มันถอดถอนความสาคัญมันหมายในสูงในทุกว่าเป็นเราเนี่ยมันเห็นเป็นเพียงตัวรู้สึกที่เกิดจากกฎของไตรลักษณ์เราก็ไปเห็นกฎของไตรลักษณ์ว่าอันนี้มันกฎของไตรลักษณ์กันเกิดดับเท่านั้นมันไม่ใช่เราเราก็จะถอน ถอนความสําคัญมั่นหมายอาการของสบายไม่สบายออกมาบางครั้งเราเกิดความรู้สึกไม่สบายเราก็ไม่ได้งุนงิดบางครั้งเราเกิดความไม่สบายเราก็ไม่ได้เสพติดอใครมาพูดให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่ได้นึกเกียดชังคนคนนั้นแต่เรามาดูอาการเกิดขึ้นไม่พอใจในเราและอาการเกิดขึ้นเพรการดับไปความไม่พอใจในเราแทนที่เราจะไปนึกเอาอีกรูปหนึ่งเข้ามา พอไปนึึคนที่ทําให้เราไม่พอใจมันก็สร้างลูกคนใหม่แล้ววนามาลูกจึงเกิดความไม่พอใจแล้วไปยึดลูกคนนั้นว่าเป็นเขาพ่อมันเรามีเราพ่ออะไรพ่อํานาจของความเผลอคืออวิชชาเพราะงั้นเราซักซ้อมเรื่องความรู้ที่เกิดโดยรู้ตัวและความสบายที่เกิดความรู้ด้วยความรู้ตัวด้วยความสบายที่เกิดโดยไม่รู้ตัวความไม่สบายที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวความไม่สบายที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทดสอบซักซองไปอย่างนี้ชนเกิดความชำนิชำนาญถ้ามันได้หลักการเพียงหนึ่งมันก็จะบูรณาการไปทุกเรื่องแต่ขอให้ชำนาญเพียงหนึ่งะเหมือนเราเขียนเลขแค่สิบหลักให้ชำนาญจากนั้นเราจะเอาเลขสิหลักนะไปบูรณาการเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ละแต่ให้จําตัวหลักแาบนี้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจําอาการของเกิดมันเป็นอย่างนี้ดับมันเป็นอย่างนี้เกิดมันก็ให้เกิดนี้ดับมันก็ให้เกิดนี้ทบทวนตัวเนี้ยให้ชำนิชานานแล้วมันก็จะบูรณาการไปทุกเรื่องทุกหลักของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่พะวงงงงวยกับเรื่องที่เราเข้าไปค่อยๆลําดับไปลําดับไปลนนักษณะนี้ตัวยานปัญญาของเรามันื้อค่อยพัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละ ถ้าหากพวกเราอยู่ในลักษณะเงี้ยตัวมักตัวผลอะไรต่า ง, างเราไม่ต้องปรารถนาแต่เราเดินอยู่ในเส้นทางของเขาแล้วเดินไปเส้นทางของมรรคและผลไปเรื่อยๆแล้วตัวอยากที่มันพัฒนาขึ้นตามระดับความทะยานอยากเป็นนั้เป็นปนี้มันค่อยๆหมดหายไปเพราะต้นตอรากเงอมันถูกตัดรากเงอมถูกตัดต้นตอมันจะเหีย่ยวเฉา ความทยานอยากความเหยื่อไปนั่นไปนี่มันก็จะเชฉาไปแล้วกลับมาเป็นตัวรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นองค์ปัญญาและญาณปัญญาของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปตัดตอรากรุดที่เรียกว่าอาสวะขยายานด้วยตัวของมันเองซึ่งเรื่องเหล่านี้ยมันควรที่จะดํางได้ทบทวนตรวจสอบแล้วก็ทําให้เกิดความชินชํานาญบ่อย ๆ, อยๆเพราะมันเป็นการ ทำลายรากของความทุกข์หรือทำลายอาสวะตั้งแต่ต้นและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอาศัยเวลายาวนานเพียงแต่เราใส่ใจพิจารณาสิ่งเล็กๆให้เป็นการลุกการนั่งการย่างการเดินการเปลี่ยนเย็ยบทยกซายย้ายขวาให้ตามรู้อย่างสบายชัดๆไม่เผลอเพี่งเผลอจ้องเผอเอาว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นเพียงอาการของการปฏิกิริของการเกิดดับ ของกฎ ต, ตะไรลักณเท่านั้นเราก็จะเรียนรู้ด้วยนี้ด้วยปัญญาด้วยความผ่อนคลายและด้วยความเข้าใจแต่ถ้าคนไหนที่มีอำนาจของความอยากยางรุนแรงอยู่อยากให้มันเป็นอยากให้มันเลียวอยากให้มันรู้อยากให้มันเห็นก็จะเกิดสร้างความทุกตัวหมายขึ้นมาเรียกว่าสมูทยัยด้วยความอยากนั่นเอง แต่ทําไปไม่รีบไม่ร้อนทําไปด้วยความเข้าใจลําดับไปการย่างแต่ละก้าวการเคี่ยวแต่ละคําการเคลื่อนแต่ละยางแล้มีอํานาจของความรู้ตัวเท่าไหร่ก็ใช้มันแต่บางครั้งมันเผลอไม่รู้ตัวไปแล้วออแล้วไปตั้งต้นใหม่เพราะเราอยู่กับสภาวะนี้มาไม่รู้กี่ร้อยล้านปีปุ๊บปับให้มันเปลี่ยน ท, ทัศนีมเป็นไปไม่ได้มันค่อยเปลี่ยนไปแต่เรามีความเพียรมีความรักที่จะรู้ที่จะทําเรื่องนี้เป็นชีวิตจิตใจเอาไว้ก่อน มันจะยากขนาดไหนเราค่อยทำไปทีเล่นเล่นนิดเมื่อเรามาเรียนต้นตอของความรู้ที่เป็นโลอุตละปัญญาอย่างนี้ให้ชานิชำนาญแล้วเรื่องอื่นมันก็จะไม่ยากไม่ยากเพราะต้นตอของความอยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้ที่เราไม่เข้าใจนะดังนั้นเองวันนี้หลังจากที่เราทาภารกิจ ต, ตรงนั้นแล้วก็ เรามานั่งทบทวนโดยการเปลี่ยนบทในการนั่งตั้งแต่ชงเช้าถึงช่วงเพลงหลังจากสันเพลงเสร็จก็ลองเข้าไปเก็บตัวในห้องดูวันนี้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดกันเช้านี้ได้ไหมถ้าเข้าใจได้มันก็ต้องไปแก้ปัญหาได้ถ้าเข้าใจไม่ได้เราก็มาทบทวนกันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปวันต่อวัน ชั่วโมงต่อช่วโมงวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีมันก็ชนานาญขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปสําหรับบุคคลที่มุ่งมั่นแต่สําหรับคนที่ยังมีความลังเลสงสัยศรัทธาไม่เต็มเปี่ยมก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องอื่นต่อไปจับ ต, ต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรแต่สาหรับคนมีศรัทธาและมีปัญญา ก็จับต้นชนไปตัวเรื่องนี้มันต้องเริ่มต้อนอย่างนี้แล้วทบทวนจับหลักตรงนี้ให้ได้เราก็จะสบายนะเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้คิดว่าพวกเราจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพว่อนำเสนอแล้วก็จะมีการตรวจสอบภาคเช้าเป็นลักษณะทดสอบว่าเข้าใจได้ไหมตั้งแต่ทานอาหารแล้วไปถึงช่วงเพลงนแล้วมั่นใจว่าทําได้แล้วช่วงเพลงหลังจากช่วงเพ ล, ลินเราไปทําด้วยตัวเองดูสักครึ่งวัน คนไหนที่ทำได้ผู้นี้ต่อให้อีกแต่คนไหน ท, ทำไม่ได้กลับมาทุกข์ทุกขทวนใหม่แลวมีเวลากตลกลงนะรขออนญนาสาธุในความตั้งใจที่เราเจเรยนรู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังได้อย่างตั้งใจและเข้าใจให้เป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้และศึกษาขั้นท้ายสุดคือการทำลายทุกข์ กำไรอสวะกำไยกิเลสออกจากใจของเราด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ